พอจะับออกไปแล้วจะก็ไปบ้านแจ็คประกาศคําสั่งคนหน้าคนหน้าคนหน้าปฏิวัติครับโอ้ปฏิวัติบ้านโอ้พอเฉพาะบ้านนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่บ้านนี้ถ้าไครฆ่าสัตัดชีวิตแม้แต่กระจกไม่ไม่ไม่ต้องตั้งเวลาแค่หน่ชั่วโมงครับแม้แต่จริงๆตัวแกไทยฆ่าตามแจ็คอยู่บ้านนี้ไม่ได้โอ จะขับทันทีนี่้หนา้นาคณะปฏิบัติรับประกาศทราบครับ เ, เพาะในบ้านเะฉพาะในบ้านเป็ปฏิวัติใหม่ใช่ไหมทราบอันนี้เป็นอนุาแถ้ามีโทษอย่างนี้นะถ้าใครที่ได้มโนยิ่ินแล้วใครติดตามไปหาเขาถ้าเิีแค่ตั้งใจว่าเราจะไปหาใครมันจะไปตรงทันทีและการช่วยเราจะช่วยได้ตรง เขาต้องการอะไรบ้างต้องช่วยตรงตามความมุ่งหมายนะครับถ้าช่วยในตรงความมุ่งหมายที่ผลนี้มันยึงจะไม่เกิดโอต้องการอะไรต้องให้แบบต้องทําตามนั้นเพื่ออย่าเบลครั บ, รบเออเมื่อกี้นี้นอนดีที่กุฏิไปงานขนมข้าวครับเราฟังข่าวมีใครโดนจับมันก็ไม่ราบโอ้ใจ<ต>หายใช้มีเครื่องฟังอ๋อเรื่องนอกก็รับเพราะถามว่าฉัานก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเหมือนกัน อยากจะถามว่าที่วัดนี้มีการต่อายุไหมอ๋ออาจารย์ครับช่วยไปหาไม้ท่อนหาเก่ามาทีนะโอยยงเต๋อแหละโยมอาเจ้ออกไปนะอ๋อให้เข้ามาแล้วก็เอาเหล็กต่อยาวๆอ๋อโยต่อยโยให้ยาวไมใช่ใช่โอ้โไอ้ความจึงการต่อายุนี่มันไม่เป็นผลหรอกก็มันการกระตุ้การตายจะมีสองอย่างถ้าไปอุปคารกรรมไม่ต่อได้กราบ ถ้าเป็นอุตสาหกรรมต่อไม่ได้<อ>เป็นการละโมณะใช่ไหมปราบปราบถ้าเป็นการลระโมณะหมดอายุไขายได้ต่อไม่ได้จริงจแิงกว่าเป็นอาการลระโมณะสือหมายความจะต้องกระตายในระหว่างท่ามกลางอายุสมมติว่าก่อนจะเกิดเขาก็หมดอายุมาแปดสิบปีแล้วเราอยู่สามสิบยี่สิบปีถ้ามันจะตายก่อนเพราะบาปที่เป็นปาณาติบาตอันนี้ต่อได้อถ้าไปอายุขายต่อไม่ได้ อาการก็ตอบไม่ได้แขงก็ตอบไม่ได้อ๋อก็ต้องเข้าเมนโยมที่ว่าไปเลยนะใช่พร้อมแล้วครับครับโยมทํำมันพร้อมแล้วครับคแล้วต้องมาเผาก็ยันขาดแท้ขาดอะไรหลวงพ่ขาดปืนตายจริงโยมใช้ปืนตายโยมใช่เลยอ่าประเดี๋ยวใครต้องการตายแล้วมันจะเสียตังค์เข้าเมนเอาปืนมัคนละดุนละดุนเอาว่าต่อไป อจะลอนพระกรรมฐานนี้ถ้าหากว่าเล่นหวยรวยบอจะทําให้สินขาดไหมมโนมยิทธิจะเสื่อมไปหรือเปล่าคะไอ้ที่ถามนี่ยมันไม่เกี่ยวกับศินไม่เกี่ยวกับโนยิธินะเล่นหวยรวยโบนะพลาดพลาเอไอรวยโปนี่สงสัยถ้าเดินหวยแล้วถ้าบาลนี่ก็ไม่ผิดศินนี่ ไม่เป็นยทินาทานาลอตเตอรี่ออ๋อหวยลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไม่มีภาษีใช่ไหมครับครับก็ได้รวยโปรในสงสัยในนี่ลรวขโมยเขาเล่นแต่วันนี้เวลาที่จะเล่นนี่ทำทางใดจะเล่นได้ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับถ้าไปเสียค่าอะไรก็ไม่เคยได้เงิน เ, น เ, น เ, เขาเอตัวนี้ผิดสิ่งไม่เผื่อผิดทินาทานใช่ไหมครับแต่ว่าทายถามว่ามโนยทิจะเสือ่อมไหมเป็นที่กาลังใจ ถ้ากําลังใจเราเป็นชาโลกีชานโลกีด้วยมันไม่แน่ไอ้ที่เขาเรียกว่าชาหัวเต่าชานหัวเต่าไปไนงะไอ้เต่ามันผุข้าวผกออกเลยเโี๋ยวเข้ากระดองแล้วโผล่มันนอกโอถ้าเวลาไหนศีลบริสุทธิ์มิวรณไม่กวนใจมโนยิ่งที่ก็จะสมบูรณ์แบบโอ้ไอเวลาไหนถ้าศีลไม่บริสุทธิ์มิวรณกวนใจเวลานั้นมโนยิ่งที่ก็หายตัวไป ก็ไม่แน่นอนนะค ร, บรบับครับก็ขอทราบตามนี้ก็แล้วกันครับยัดยอกเงินของสามีที่ให้ไปซื้อกับข้าวเอ า, เอาละเอ า, เอาละวันละห้าบาทสิบบาท เ, <อ>าเพื่อเอามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญสมบูรณ์แบบหรือไม่เจ้าคะเดี๋ยวเราถามก่อนทำบุญวัดไหนเนี่ย ถ้าผิดบัตรไม่ได้นะ อ, อต้องต้องต้องกวาดตาฟงนะไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวลงนะลงคืยกันคร <c oughs> ับเอ อ, อ, ย, ย, อย่างนี้จับกลุ่กันนะอ่าเดี๋ยวก่อนไอ้ตัวนี้คิดยากคำว่าความจริงสามีพันยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับอ่าผมแค่ถือว่าขโมยไม่ได้นะครับครับยังไม่อยู่ในเกณว่าขโมยใช่อ่าสมมติว่าก็ให้ตังค์ไปร้อยบาท อา ล, ล่อซะห้าบาทครับไอ้สตัตงห้าบาทนี่ไม่ใช่ไปซื้อเหล้ากินตั้งใจไปทำบุญใช่ไหมครับงห้เข้าใจว่าเป็นปัใจจัยให้สามีได้บุญไปโดยไม่รู้สึกตัวอ๋อโหกลับดีขึ้นไปอีกนะจะให้จับได้นะจับได้บาดแผลนะ <c oughs> อันอีิสงแรงเลยเนี่ยเอ อ, อนี่คนขมโมยแบบนี้เป็นมาโสดาบันไดนะอะไรพ่อขมโมยตางทำบุญ ถามท่านดูว่าคนขโมยได้ขโมยถึงครึ่งไหมไอที่ขโมยได้เป็นประโสดาบันไดขโมยครึ่งเลยนะไอขโมยแบบไหนเอาให้เงินมาสองตำลึงแ ย, ยกย่อยไปหนึ่งตำลึงเอาไปซื้อของมาหนึ่งตำลึงแล้วให้ให้ผู้รับให้เจ้านายออต่อมาคนเนี้เป็นประโสดาบันผู้จุตลาไงนะเลยเรื่องามมาว่าดีใช่ไหม ว่าคุตตระนี่เป็นคนรับใช้คองนางสามาวดีกราบก็เจ้าเทินก็จะทานค่าดอกไม้วันละสองตำลึงสมัยก่อนแปดบาทใช่ไหมกราบคราบเธอก็ไปซื้อดอกไม้ได้สี่บาทเก่าเขาก็เป็ดเอ้ยเจ็บเขาก็เบาเจ็บเขาก็เป๋าได้สี่บาทอ๋อตึ่งหนึ่งว่าอย่างนี้ทุกวันกับนางสามาวดีถ้าไม่เคยออกไปข้างนอกคราบก็ไม่ทราบว่าดอกไม้มันถูกแพงกันาดไหน เมื่อได้มาแค่หนึ่งตำริงหรือสี่บาทตระมาขนาดนั้นก็พอก็ทายังพอใช่ไหมครับทำไม่เกิดความเหมาะสมวันหนึ่งคุณจุตราไปจ่ายดอกจะไปซื้อดอกไม้ไปพบพระพุทธเจ้าเขานายมาลาการบอกที่ไอ้เรื่องดอกไม้จะมันมีแล้วเธอวันนี้พระพุทธเจ้ามาที่นี่อบันขึ้นใหม่ในโลกเธอมาช่วยฉันเลี้ยงพระแล้วก็ฟังเทศเดียกันก่อนเะเราพบได้ยาก เธอก็ตกลงใจวันนั้นยังไม่ได้ขโมยอย่าลืมนะร บ, รบวันนั้นยังไม่ได้จ่ายสตังถ้าขโมยก่อนก็ต้องคิดเหมือนกันโ อ, อ้ยก็เป็นนั้นว่านางกุติราก็ทําการช่วยเขาเลี้ยงพระเพราช่วยเขาเลี้ยงพระแล้วก็สมาทานศีนพระเจ้าให้ศีลใช่ไหมพระเจ้ า, จากา็ทรงเทศพอเทศจบเธอได้ประสดาบันโอ้ตอนนี้อีตอนนี้ทำอะไรประสูติดาบันชิงมันต้องครบ ไม่ขาดแล้วใช่ไหมครับครับขโมยไม่ได้เลยเชื้อดอกไม้สองตำลึงเลยอ๋อเพอกลับมาถึงพนางสามาวดีพนางสามาวดีมะดอกไม้มันมากไปเท่าตัวอแต่ว่านี่เธอคุชิกราพระราชาทรงพระราชทานข่าดอกไม้เพิ่มหรื อ, อยังไงแกบอกไม่จะเพิ่มปเป็นเจ้าค่ะวันก่อนก่อนหม่อมฉันขโมยก็หนึ่งตำลึงอ๋อ แล้ววันก็นางสายมาวดีก็ถามวันนี้ทำไมไม่เอาล่ะความจริงซื้อมาหนึ่งตัวหนึก็พอจะได้บอกเอาไม่ได้ทำไมครับกวนี้ฟังเทพพระพุทธเจ้าเป็นระศวดาบันซะแล้วโอ้ได้ขโมยไม่ได้ความจริงระศวดาบันนี่ก็ไม่คือดีนะครับครับทำไมอาตัดอาชีพเขาทีโอ้โหครับอ่านี่เห็นไหม อันนี้หมายความแค่ขโมยแบ่งส่วนแบ่งในส่วนนั้นนะครั บ, รบแล้วก็จะทำเลยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าพัญญายากัยากยอกทรัพย์สมบัติของสามีเอาแค่เล็กน้อยนะเล็กน้อยครับเล็กน้อยแล้วตั้งใจไปทําบุญอันนี้สามีจะมีผลได้โดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะเงินจำนวนนั้นเขาหาครับหาร่วมกันใช่ไหมครับเอาใช้ได้ดิฉันมีแม่เป็นต่างศาสนา แต่เวลาหวายสังฆทานก็แอบเอาชื่อของแกลงทุกครั้งอย่างนี้แม่แกจะได้บ้างไหมคะแอบเอาชื่อลงไม่ได้ต้องแอบเอาตังแม่มาด้วย <c oughs> คือแม่เป็นคนลักลอสนานง่นะว่าท่านไม่ได้โมโนนานี่มันหวังยากไนงะแต่ว่าพ่าเงินจำนวนนั้นทำร่วมกันมาไม่ท่านมีส่วนอ๋อ ดิฉันอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าการที่ดิฉันนั่งสมาธิหาวอหาแว่เรื่อนี้<อ>จะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะไอด้ดิเขาเรียนฌานพิเศษนะไม่ควรจะแก้เนะี่ยฌานพิเศษนะแค่ฌานหาว<อ>แต่เขาต้องพยายามหาวให้ได้มาตรฐานเอ๊ะมีมีมีหาวมาตรฐานด้วยเหรอใช่หาวปมาหาวเป็นดาวเป็นเดือนเลย ดาวขึ้นเดือนขึ้นคลาบคลาบอันนี้ก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวหาวไง่วงหรือเปล่าผมไม่ง่วงนะมันก็สมกลุกนอยู่เวลาธรรมดามันไม่หาวพอจะนะมะพระธาว่าโอ้ไอ้ขั้นญาเนี่ยขั้นญาณโอแต่ก่อนจริงหาวทำไม่มาจะง่วงมาทีมันไม่ง่วงนะถ้าเป็นยีวอนเนี่ยมันต้องง่วงมัจะหาวใช่ไหม เท้าว่วงด้วยง่วงด้วยเท้าด้วยนะสองอย่างถือว่าเป็นนิวนรณ์ตัวที่สามใช่ไหมราบครับอันนี้ถ้าเป็นนิวนรณ์ตัวที่สามเมื่อสันความง่ว ง, ง, งเข้ า, ามาเขอบงําต้องแก้ตามที่พระเจ้าทรงสอนพระโมคคัลลาอตอนที่พระโมคคัลาไปเจริญพระกรรมฐานพระหวังเป็นอัหันเกิดความ ง, ง่ว ง, งพระพเจ้าทรงประดิษไปพระโมคคลาถ้าเกิดความ ง, ง่วงขึ้นหนึ่งให้มือขยี้ตา ถ้ามือเขายี่ตายังไม่หายให้ลืมตากว้างๆครับถ้าลืมตากว้างๆยังไม่หายให้น้าล้างหน้าหรือว่าอย่างนั้นดูดาวใช่ไหมนีม่ฉะนั้นฉะลุกเ ด, ดินไปเคลอนทั้งจะคลายความง่วงครับถ้าลองทําตามนี้นะเพราะว่าถ้าหท้าไม่ง่วงไม่ต้องแก้่เร<อ>ื่ธรรมดาครับครั บ, รบดิฉันตั้งใจจะไปถวายสังฆทานพระข้างวัด ข้าวัดจะข้างบ้านข้างข้างบ้านมั้งแต่บางเอิญไม่ครบองสง์อย่างนี้จะเป็นสังฆทานบริบูรณ์ไหมเจ้าคะก่อนจริงถึงแม้ครบองคสงก็ไม่ควรจะถวายมีท่าอีกสามองวัดนะไม่ใช่มัอยู่ข้างวัดนี่มีว่าคนวัดใกล้บ้านท่าวัดวัดใกล้ปะเอนี่ต้องคิดนะถ้าไว้ครบองค์สง์ ่คถาวายแล้วเป็นสังฆทานไม่ได้หนึ่งสองสามนี่เป็นสังฆทานไม่ได้เว้นไว้แต่ว่าพระท่านอย่าทำถูกแต่ว่าความจริงถวายได้นะแต่พระถ้าพระทําทไม่ถูกพระลุงนรกเองอ้าวสมัยเป็น้งล่ะคุณพ่อเขาถวายบอกว่าเป็นสังฆทานครับใช่แล้วถ้า่ากินกันใช้กันแค่หนึ่งองค์สอง 3, องค์สามองค์นี่เป็นปาฏิบุตรพุทธิสถานอเจริญนายเขาถูกต้องแต่พระลุงนรกแม่จริงของสง ถ้าพระทาไม่ถูกก็หมายว่าเมื่อรับมาแล้วแล้ ว, ลวก็นําส่วนใดส่วนหนึ่งไปถวายวัดอืน่นใช่ไหมครับไอ้วัดนั้นอาจจะมีองค์สองค์ก็ตามมันมันมันนัมีส่วนได้โดยการครบองค์สอใช้ได้เลยโอ้สมมติว่าใค้แกงมาหม้อหนึ่งหมออ้อใหญ่ๆแ้วลนไหมโอโ้เอาตักไปแบ่งวัดอื่นช้อนนอกนั้นไว้หมดเลยใช่หมดเลยจริงต้องแบ่งไปเนี่ย ถ้าไม่แบ่งไปอันตรายเกิดกับพระเอ๊ยนักหนักพระถ้าไม่รู้เรื่องอะไ่านบังบวตใหม่มๆเลยเ่ ไ, ไ, มไม่รู้เรื่องก็ดีแล้วหรือไปที่นักยอมไม่ต้องต่อสู้ไม่รู้เรื่องกันลงกันเหรอครับรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องกันลงอับบาศเนี่ยมันเป็นทั้งรู้แล้วไม่รู้นะโอรู้อยู่ก็เป็นไม่รู้อยู่ก็เป็นสงสัยก็เป็นใช่ไหมครับอาจารย์เคยบวชมาแล้วแม่ครับนี่ยเรื่องใหญ่มากนะ แต่มีแต่ใช่ไหมแต่ทําไมหนอหลวงพ่อจึงรับองค์เดียวได้ครับนี่แค่พ่อฉันคนเดียวนะพระอื่นไม่ได้อาเป็นกรณีพิเศษพระไตยผดกเล่มไหนครับนี่เล่มมัทธาสุงเดียวกันอย่างนี้พ่อเขารับองค์เดียวเนี่ยถือว่าเป็นผู้แทนสงของส่วนนั้นทั้งหมดต้องเข้าส่วนกลางอ ไอ้โค้ชฉันนี่ฉันมาฉันเข้าส่วนกลางหมดครับคแม้แต่ยังเขาบอกนี่ถวายน้องพ่อนะดีให้มากเกินไปฉันใช้ไม่หมดนี่อโอ้ก็เข้าส่วนกลางไปเห<อ>็นไหมครับครับก็มีญ า, าติโ ย, ย, ยมยังไปกรุงเทพคราวนี้แล้วซองหนึ่งถวายมาเงียบเงียบอีซองหนึ่งเลขอถวายไปส่วนตัวหลวงพ่อเจ้าค่ะเพราะ<อ>รับซอมมาแกบอกหมื่นบาทต่อน้องพ่อโ อ, โอ้โหมีสามสี่รายเป็นหมืม่นๆใช่ เ, เหรอ นั่นหมื่นเดียวไม่ใช่หมื่นหมื่นนะคบางคนก็สามหมืนอ๋อใช่ไหมืบาทหมื่นบ า, บาทตอนนี้ฉันก็คิดว่าฉันในใช้เดือนหนึ่งมันก็ไม่ถึงพันบาทครับบางเดือนใช้ไม่ถึงร้อยบาทโอ้บางเดือนถ้าหากป่วยไข้ไม่สบายมีธุระพิเศษก็อาจจะถึงพันบาทอ๋อเงินนอกจากนี้ทั้งหมดฉันก็ไปใช้เป็นส่วนสนทนาเครือเครื่อหารเลี้ยงพระอ๋อจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อพระในวัด บแล้วก็บางส่วนก็นําไปสร้างมีหาานอีกส่วนหนึ่งก็ไปช่วยธรรมทานที่เทพขาดทุนอะเทพขาดทุนเทพเนี่ยขาดทุนแง่ที่จะขายเนี่ยเอ๊ะทำไมเทพขาดทุนพ่อเทพเราไม่ขาดใ้ใช้ขาดเออได้ยินหลายๆายครั้งหลวงพ่อช่วยช่วยแฉลงหน่อยนะเพราะว่าคัดเศษมันก็แพงใช่ไหมครับหน้ากากก็แพงอแล้วเครื่องแหละแอบกะแสไฟฟ้าโค้งสูงยังไม่ได้คิด ถ่าจ้างพระยังไม่มีไอ้นี่มันเราคิดได้คิดแค่แค่เศษกันหน้ากากน ะ, ะสองอย่างนี้นะเรียกว่ามันแเกจะไปไม่รอดนะอแล้วมาอีกส่วนหนึ่งคือหัวหัวหัวมันทึกสสวนถ่ายทอดเนี่ยหัวหนึ่งเวลานี่สี่พันเศษโอ้โหแล้วเราก็ต้องใช้ทั้งปี่สามสิบสองสิบสองหัวโอเสียทีเท่าไหร่อีหนึ่ง ก็ต้องเปลี่ยนกันทีหนึ่งไม่ถึงปีอะครับคบใช่ไหมเอ๊ะอย่างนี้ก็อย่างนี้ไม่ได้หรอครับพ่อแก้ปัญหานะทำไมถว่าอย่างพ่ออย่างคงวัดจําหน่ายม้วนละซะลนะยี่สิบห้านี่เราก็เปลี่ยนเป็นม้วนละห้าที่สองไปเลยนะโอ้พ่อจริงๆมันควรจะเปลี่ยนเป็นม้วนละห้าร้อยห้ารอยี่สิบบาทแหมกับเมตาแรงดิ <c oughs> เอ๊ะเออย่างนี้ที่ทำอย่างนี้นะต้องการให้มัญญายาโยมเนี่ย ที่ถวายเงินมาโดยไม่จำกัดมีส่วนทั้งหนึ่งาติกุพุทธิสถานถวายฉันครับส่วนตัวสองฆข่อาถห้าหางเข้าไฟฟ้าครับตามมีหาทานในการก่อสร้าง4ีธรรมทานเรื่องเทพอันนี้บุญใหญ่มากโองั้นก็นี้มูลให้ขาดทุนต่อไปเถอะน้อยนะนอยนะอาจจะได้บุญบุญแรงะมันไม่ใช่ขาดทุนนี้ได้กไรอ๋อได้กำไรไปส่วนทานบุญบุญสูงขึ้น ใช่ไหมญาติโยมพอยได้ด้วยคือท่านเป็นอของเงินท่านตรงใดแน่อพราะเราตั้งใจตามนั้นนะครับครับก็แบบนี้ก็อาศัยที่ก็สไว้บวชอยู่พ่อปานครับเป็นไงคุณพ่อครับพ่อปานนันบอกถ้าเขาถวายเงินเรามาสลึงหนึ่งยาให้เขาได้บุญอย่างเดียวอถ้าเรากินเราใช้คนเดียวเขาได้บุญในส่วนปานบุรุษทานใช่ไหมคราบอย่างน้อยสุดเ ข, ขาให้เขาได้ในส่วนสังฆทานด้วย หือว่าไปร่วมในการหาอาหารถวายพระาเพื่อได้พิแถวทานบรุทธิรงการเก่าแท่งเท่าว่าอย่างนี้อใช่ไหมเป็นว่าะญาติโยมเนี่ยเวลานี้ก็สร้างพระพุทธรูปกันบางบางญาติโยมไม่ได้ร่วมทุนด้วยเงินจำนวนนี้เขา้าไปผสมเพราะพุทธรูปทุกองค์เนี่ยที่บ่อราคาญาติโยมไปนะี่ยไม่พอกับทุนหรอกอออย่างพระพุทธรูปเทวดาดีสงหน้าตักสี่ดอกนะครับ ราลายท า, ยาี่เกาหลีสมเด็จกตั <daí beach allows> ้งนะร้างายคาหนึ่งหืนบาทค่าจ้างเขาจริงๆ9ิ0เก้าเก้าพันไปแล้วโอ้โหใช่ไหมอธบายไหมสี่พ0นบาทค่าปูนมันพอเปล่าโอ้ลูงพ่อในกตาใจทำเนาะเข้าใจทำชอบชอบชอบคือคือทำนี่เพิ่มขึ้นไง ก็ไม่ใช่ น, นี้ก็เงินญาติโยมนี้มาจํากัดไม่ไดมาช่วยอ๋อมาตรงน้นนิดตรงนี้หน่อยใช่ใช่ใชเขาก็มีส่วนในการสร้งสางรูปด้วยเองะงี้การถวายปัจจัยตามอะไรตามอัธยาศัยนี่ก็ทำให้ได้อา น, นิสงส์หลายอย่างนะอย่าอย่าไป ก, าาากันค่าญาติโยมทำไมนะครับดุลธัติยะก็ได้อานิาาสงส์หลายอย่างจริงหนึ่งฟ้าติบกุกฤษสถานหนึ่งบกพลคือรวงพ่อใต้หนึ่งสองสังฆทานอาหารพระไฟฟ้าสามสามวิหารทานการก่อสร้างสี่ภาประทานเทศ ห้า <5 S 2> <5 S 1> พระพุตรูปห <6 S 1> <6 S 2> กหกใสกระเป๋า <c oughs> ได้ได้ ไ, ได้พ่อของดิฉันตายไปยี่สิบปีนั่งสมาธิดูรู้ว่าเกิดเป็นภุมมะทกะเทวดา <c oughs> เออเอะไรเทวดาที่ถูกกะเนี่ยถูกกะคงจะเป็นเทวดาตาม บนที่ดินนะเรียกภูมิเทวดาเฉยไม่กระกะไม่กระกระไม่กะกะลามนะมันมันมันแห ม, ม, ม, มบาลีลาบากอ่านตะกูตะกักนะะแต่มาเข้าฝันว่าช่วยทําบุญต่ออายุให้หน่อยอายุจะหมดเส็จแล้วอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าอายุภูมิตะกัเทวดาจริงๆริงเท่าไหร่และทําไมจึงมาเข้าฝันอย่างนั้นเ อ, อถ้าภูมิมเทวดาเฉยเฉยนะ รบท่านเบียยุมากาเวลาของเราเนี่ยห้าสิบปีเป็นหนึ่งวันของท่านใช่ไหมเราเยอจริงๆท่านร้อยปีทิพย์จำไม่ดีนะครับครับห้าสิบปีของเราเป็นหนึ่งวันของท่านสองสิบวันของท่านก็เป็นหนึ่งเดือนของท่านสิบสองเดือนของท่านเป็นหนึ่งปีของท่าน ตอนนี้ข้าจะบอกว่าอาศัยที่ทําบุญไปที่ตายไปยี่สิบปีหมดอายุนี่ข้าไม่ถูกแล้วทําไมนะครับเพราว่าเทวดากลกะไอ้อาจจะกล้ากผิดไป<อ>ถ้าภูมิเทวดาไม่กล้ไม่ผิดกล้ากล้าใช่ไหมอ๋อเนี่ยก็ฟิวขาดถ้าพลาไปที่กล้ากล้เาเลยสงสัยว่าท<ห>ําไมเพราะว่าอายุยังไงคนท่านสงสัยนั่นสิเพราะว่าให้ทําบุญต่ อ, อยุ่ยหน่อยถ้าจะหมดบุญแล้ว จะไปทำผิดกฎจราจรเทวดาทำไมลูอันมากลัวน่ากลัวเขาไม่ข้ามทางม้าลายนะเออสงสัยข้อนี้นะครับขอให้ท่านอยนะ่ขอปัญหาไปสอบสวนให้ดีนะครับถ้าได้มโนยิธิตั้งใจให้เป็นเบคขาเสียก่อนถ้าไปพบกับท่านถามดูว่าเรื่องเราเป็นไงนี่ันไม่ถึงวันนี่ยีสิบปีที่ไม่ถึงวันเหรอครับห้าสิบปีของเราเป็นหนึ่งวันของท่านนะ นี่ไปยังไม่ถึงวันเลยจะหมดอายุในสงสัยถจะเอาทุนไปน้อยกว่านั่นเลยนั่นสิอย่างนี้จะต้องสร้างธรรมทานกานั่นดีเอาก็ดีไหะใจใจ่จใจใจใจไม่ก็ดีแต่ว่ารอบหลังใช่เพ่ไจะไปกลเลยไม่กลวไม่กลวไม่กลเวลาอยู่เยอะไม่ไม่ไม่กลวเตรียมตังค์้นะไม่กลไม่กลไม่กลการที่บวชพ่อ บวชสามมีและบวชลูกนั้นดิฉันจะได้อานิสงเหมือนกันไหมจบคะใช่นะคงจะจับพ่อบวชหัวบวชลูกบวชทนี่ะยทุกทุกบวชเนี่ะยะบวชพ่อแลว้วบวชหัวพ่อด้วยหัวด้วยลูกด้วยมันประหยัดรายจ่ายโออหมายบวรวมกันนี่แหละได้ได้ได้มากเชียวถ้าพ่อกับแม่นะ บวชลูกหนึ่งคนใช่ไหมครับาจะมีอริสง์เป็นเทวดาลุ่มสามสิบกับใช่ไหมคราบถ้าบวชผัวในฐานะเป็นญภาพจะมีอริสง์เป็นเทวดารลุรมสิบสองกับอ๋อไม่เท่ากันครับรบาาเพะผัวนี่ไม่ใช่ลูกถ้าลูกจริงจะได้มากถ้าผัวได้ไม่มากนะทาไมน้อยอย่าเนี้ยเพราะพ่อแม่เขามีอ๋อ ถ้าถาว่าผัวที่เราบวชไปแล้วพ่อแม่ของผัวเองเขาไม่ทราบแต่ว่าทั้งทราบหรือไม่ทราบโมทนาหรือไม่โมทนาก็ตามเขาได้ในสงฆ์คนละสามสิบกับเต็มเหมือนกันอก็มีอธิสง์พิเศษอย่างเดียวคือการบวชครับครับการทําบุญอย่างอื่นทั้งหมดถ้าผู้จะรับต้องได้โมทนาเสียก่อนเว้นไว้แต่การบวชการบวชที่ผู้พ่อแม่ถึงแม้ไม่ได้โมทนาก็ไมีสงฆ์สมบุญแบบอ๋อ อย่างที่ท่านบอกว่าในมงคุณทิปนีครับท่านบอกว่าวิดากับมารดาเมื่อคลอดบุตรมาแล้วนำมารดาคลอดบุตรนะนะครับไอ้หนูนี่สายต้ไม่นี่ไปใช้หน้าประาาออวร้ายไอ้หน้าถนนถ้าคลอดบุตรมาแล้วแล้วก็ต่างคนต่างแยกกันไปก็ไม่รู้ว่าลูกจะอยู่หรือจะตายใช่ไหมครับต่อมาเมื่อลูกครบบวตได้บวชในพุทธศาสนา ถ้าบอพ่อแม่จะอยู่ที่ไหนก็ตามต่างคนต่างได้ดีสงฆ์สมบูณแบบหมดมีบุญพิเศษอันเดียวคือลูกบวชเนี่ยพ่อแม่ได้รับโดยไม่ต้องค์บูตนาอ๋ออยงั้นใครมีมีลูกได้บวชก็ได้เปรียบ น, นะก็ะระวังให้ดีนะไม่ครับให้ลูกบวชให้เป็นพระนะอ้าวบวชแล้วไม่เป็นพระมีถบวชแล้วพ่อแม่ไม่อยู่ใกล้ไม่พบกันเนี่ยมีสงพิเศษได้รับเต็มที่อ๋อ ถ้าพ่อแม่ติดต่ออยู่เสมอดีไม่ดีพ่อแม่ลงนรกด้วยไอ้จะเป็นไป่ได้ไงครับพ่อถ้าลูกบวช ด, ดีมีสงเพิ่มใช่ไหอถ้าพระพฤติชั่วถ้าครูบาอาจารย์ตักเตือนลูกก็โกรธไปบอกพ่อบอกแม่พ่อแม่โกรธ ด, ด้วยก็เหมือนกับพระมาหากรบินพระมาหากรบินพระมาหากรบินในสมัยพุทธเจ้าทรงนำพระพุทธกษัตริย์ใช่ไหมกราบราท่านประพฤติชั่วพระอรหัน์ตักเตือน ก็ด่าพระอรหันต์ใช่ใช่ไหมครมับแล้วแม่กับน้องสาวก็พลอยด่าพระเสียด้วยอ๋อทั้งสามคนต่างคนต่างตายก็ลงอเวจีด้วยกันหมดทั้งสามคนอ๋อเห็นไมครมับครับครันี่เป็นเรื่องวาวการบวชลูกบวชพี่บวชน้องบวชญาตเข้ามาในพุทธศาสนานี่ต้องตัดหางปล่อยทําไมล่ะครับนั่นหมายความว่าถ้าภุ่มเขามันช้าเรื่องผิดระเบียดยินัย<อ>เขาลงโทษไปเรื่องของเขาโอ้ยาวใจเข้าไปยุ่งครับ ถ้าใจเข้าไปยุ่งอะไราโทษหนักมากใช่ไหมครับครับงัก็ต้องให้บวชด้วยศรัทธาต้องบวชด้วยศรัทธาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เรื่องบวชบวชนี่หนักใจเยอะเหมือนกันนะครับเป็นยังไงครับหลวงพ่อเพราะพระที่ท่านมาเจริญกรรมาฐานบางองค์รู้สึกจะไม่รู้อะไรเลยอ่าแล้วินัยเนี่ยครับครัเห็นพระบวชบวกันว่าท่านอาจจะไม่รับการศึกษามาเลยแค่วินัยนะครับ ปฏิบัติเนฉะพาะบางองค์นะไม่ใช่ทุกองค์เนฉะพาะเฉพาะเฉพาะบางองค์บางทีถ้าไม่รู้เรื่องวินัยขึ้เลยไอ้การไม่รู้เรื่องวินัยขึ้นเลยนี่ลำบากมากดีไม่ดีอาจจะเป็นปบัตรประราชิษฐ์ตอนวันแรกบวชก็ได้ประราชิษฐ์ น, น, <อ>นี่จริงที่มันมีสีข้อสิ่งที่ง่ายที่สุดคือวัตถุวัตถุอะไรทำข้อของอะไรก็ตามถ้ามันไม่จะคาเจ้าหนึ่งบาทขึ้นไปอเขาไม่ให้ น, นี่ใสก็ว่าจะมีอยู่ใช่ไหมครับครับหยิบออกมาเฉยๆนี่ขาดตึงประสาชิกเลย ท, ท, ทั้งๆที่ผมเหลืองอยู่ก็ขาดเนะ่ยอ่อ่าถ้าไม่ผมเหลืองไม่ขาดใช่ไหมครับครับอันนี่ยความเป็นพระ ก, ก็ไม่เหลืองนี่ระวังให้มากในการบวชเนะี่ยโอรู้สึกว่าเวลานี้จะใกล้ๆอเวจีกันมากเกินไปโอเคเราเห็นว่าเวลาที่จะนําลูกมาบวชแต่บางทีพ่อแม่มาม า, มาฉันนี่เคยเค ย, เคยโดน ครับโดยยังไงพผมจะเอาลูกมาบวชที่วัดนี้ครับถ้าไม่ยมเอาลูกมาพบกันก่อนได้ไหมเขามาไม่ได้ครับเขาไม่ว่างเขาเลิกราชการอ๋อตอบแบบนี้ก็เลยบอกว่าถ้าพ่อมันเลวแบบนี้ลูกมันดีไม่ได้ไม่ต้องอมาโอ้โหพ่ออะไรไหม้าเพื่อจะมาลูกเป็นเวลาชิกแน่ขนาดพ่อยังพูดอย่างนี้ใช่ทำไมของมันหยิบได้ง่ายเวลาชิกสี่ข้อน่ยข้อที่ง่ายที่สุดคือวัตถุเข้าใจไหม ไอ้การที่ไปร่วมรักกับผู้หญิงเขามีหัวใจแน่หรืยให้ตกลงด้วยจะไปฆ่าคนไอ้ตายก็ไม่แน่นะก็จะฆ่าตอบก็ได้จะเออุตรีมนุษย์ทาว่าฉันผู้วิเศษก็ไม่แน่ใจมันยังยากอยู่ที่ง่ายที่สุดคือนำของเส้นราคาตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปเออหลวงพ่อครับชาหาาว่าเอาไปแค่สามหลงนี่ขาดไหม ไม่ค่ะจะแหวงกันไว้บานเลยโอ้มีสินแห่งกัินนะเรียกว่าสบงหมดช่วยสามส่วนแล้วส่วนเดียวโอเปิดหน้าเปิดหลังเลยครับครับไอ้นี่ลาบากมากจริงๆนะครับครับเพราะการบวชนสมัยที่พระเจ้าสัญยู่่าจะต้องเทศให้ฟังจนทั่งเป็นพระอริยะขึ้นก่อนจริงให้บวชอ๋อหรือไม่เช่นนั้นท่านเห็นว่าควรจะเป็นพระอริยะได้ในเวลาไม่ช้าเข้าให้บวชใช่ไหมครับครับนี่ก็ทาแท้ ต่อมาเมื่อท่านมอบหน้าให้เจิสงฆ์ท่านตั้งกฎไว้เลยว่าคนเรียเข้ามาบวชนี่ต้องอยู่ติททิฏฐิปรวิวัติติฏฐิมาปลอภายนอกนะเข้ามาศึกษาสินสมาธิปัญญาซึก่อนอคำว่าศึกษานี่ไม่ได้หมายถึงเรียนให้ปฏิบัติเลยนะออันดับแรกกำหนดไว้สามเดือนถ้าสามเดือนยังเอาดีไม่ได้ห้ามบวชให้อยู่ต่อไปสามเดือน เอาสามเดือนสามครั้งเอาดื่มไม่ได้ห้ามบวชตลอดชีวิตออไม่เชื่อศักดิ์ะรับกันนะไอ้ น, นี่ญาติโยมที่มีลูกเป็นผู้ชายนะมัตะวังให้มากดีไม่ดีก็เธอจะพาพ่อแม่ลงอาวจีไปด้วยพลาดนี่ถ้าพาดลงอาวจีแน่ทูทําไมลงง่ายจังน้งองก็มีบุญมากออย่าลืมว่าเป็นปูชทีนิยบุคคลชาวบ้านเขาต้องไหว้ขนาดเมื่อเป็นคณะวาดตัวเองไหว่พ่อไห ว, ว่แม่ไหว่ปู่ย่าตายาย ก็หอมเหลืองปั๊บกนมาปู่ย่าตายายพ่อแม่จังไหวยบาปหนักตรงนี้อ๋อบุญมากบุญใหญ่นี่ลงง่ายเนอะบุญใหญ่แล้วก็ถ้าบาปมันก็บาปใจใช่ไหมครับครับไอย่างบุญพอดีบาปพอดีพอดีนี่คงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดชฉันแกงถวายพระตอนกลางวันปรากฏว่าน้ำหมากเล็ดลงไปในหม้อแกงหน่อย นี่ถ้าจชอบมากนะอยากจะเรียนทราบว่าอย่างนี้แม่ครัวจะบาปไหมครับหมากนะหมากมันเล็ดตรงนี้แม่ครัวไม่บาปถ้าแม่คนอาจจะบาปเป็นยังไงล่ะครับแม่ครัวเอาลูกมาเป็นครัวเพราว่ า, าเจตนาไม่มีไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ไตั้งใจนะเจตนาที่จะแต่งแต่งไม่มีนะไม่เขาไม่ถือว่าเป็นบาปเรียกว่าบาปอี่ครับแปลว่าชั่ว ไม่ไปต่างใจทาชั่วใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมมติว่าญาติโยมนําเงินมาสร้างวิหารทานแต่นำไปใช้ผิดประเภทอย่างนี้จะผิดไหมครับสบายมากผิดประเภทแบบไหนไม่ได้บอกมาก็คงจะไปใช้เป็นอาข้าอาหารบาั่งไฟฟ้าบาั่งข้าไอโนในนี่บันะ่งไอ้นี่พระพาาุทธเจ้าท่านปรับโทษในฐานะย้ายเจดีนะเนี่ยเหรครับใช่ ก็ระวัาให้มาจะส่งเด็กเขาไม่ได้อ๋อเขาไอ้ดังจํานวนนั้นอาจจะไปใช้ได้แต่ยอดของเงินที่พระท่านต้องคบควรเอาหามาใช้เขาว่ะครับที่ส่งเด็ไม่ได้นะพระเนี่ยเสร็จโอเป็นพระในลําบากนะก็ไม่เชิงอ่ะทำไมกันก็มาถือหุงข้าวเองโยงหุงให้กินนี่อ๋อสบายแบบพี่เองเลยแต่ปฏิบัติตัวลําบากมากครับคท่านปรับในฐานะย้ายเจดีย์โอ้โห เรื่องหนักมากคพอขาดบาดตายเลยคนที่ฆ่าตัวตายเช่นผูกคอตายเป็นต้นก่อนจะผูกคอตายเขาบอกว่าดิฉันกลุ้มเหลือเกินขอภาวนาพุทโธพุทโธผูกคอตายดีกว่า <c oughs> แล้วแกก็ตายไปจริงๆอย่างนี้จะลงข้างล่างหรือขึ้นข้างบนจะหาลอยแล้วลงลองแล้ว แกผูกต่าหรือผูกสูงอีผูกกัต้นไม้ถ้พาผูกต้นไม้ผูกสูงไม่ลงล่างข้างบนถ้าภาวนาพุทโธจริงๆระหว่างผูกนะหรือว่าไม่ว่าพุทโธแต่จิตนึกถึงพุทโธในตายและไปสวรรค์แม้จะผูกขอตายผูกคอตายยิงตัวตายดำน้ำตายก็เหมือนกันถ้าจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ไปสวรรค์นแน่นอน อ, อ๋อ